ตัวหลงก็มีหลายดีกรีหลายระดับนะหลงตื้นตื้นเนี่ยหลงจับอารมณ์ได้ไม่มั่นนะหลงผิดนะจากความเข้าใจที่ถูกต้องนะหลงที่ร้ายที่สุดนะชื่ออวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นความหลงที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดถ้าเราไม่สามารถขุดลากถอนโควรอวิชชาออกจากใจได้เรายังเกิดอีกยังเบียนไหวตายเกิดอีก อวิชาเนี่ยเหมือนต้นอ่อนเล็กๆของต้นไม้นะที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดมเมล็ดของต้นไม้เคยผ่ามะม่วงเม็ดมะม่วงดูไหมเคยผ่าเม็ดมะขามอะไรอย่างงี้ ไ, ไหมไม่มันมีต้นอ่อนเล็กๆอยู่มันมีเชื้อกเกิดอยู่ไอ้เมล็ดผลไม้เนี่ยเหมือนกับจิตของเรานี่เองนะไอ้ตัวต้นอ่อนเล็กๆเนี่ยที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือตัวอวิชา อาศัยเมล็ดอาศัยจิตที่ยังมีเชื้อเกิดคืออวิชชาอยู่เนี่ยมันจะไปงอกต้นไม้ขึ้นมาได้อีกจะไปงอกขันห้าทั้งขันห้าขึ้นมาได้อีกนะเพราะฉะนั้นจะเวียนไหวตายเกิดไม่รู้จกัจกจบจกักสิ้นเลยการจะทําลายอวิชชาได้เนี่ยทำลายด้วยวิชานะใช้ปัญญาขั้นสูงเราเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเด้วยนะสังเกตไปกายมันทํางานใจมันทำงา น, น, งานเราคอยดูดูไปเด่อยนะจนท้ายปัญญามันแก่กล้าขึ้น เบื้องต้นมันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สภาวะธรรมซึ่งเกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนไปเรื่อยๆต่อมาปัญญาแก่กล้างมากขึ้ น, นมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเรายังไม่เห็นเราจะเห็นว่าร่างกายเราเนี้ยทุกข์ว่างสุขว่างแต่พอเราจเจริญสติค่อยดูกายดูใจเรื่อยๆนะรู้เท่าทันไปเรื่อย เราจะพบความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทำอะไรอะไก็ทุกข์นั่งานานๆก็เมื่อยนะต้องขยับไปขยับมาแก้เมื่อยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ถ้ามีสติเราลึกรู้อยู่เราก็จะรู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจิตจะวางกายจะปล่อยวางร่างกาย พวกเราในขณะนี้ภูมิจิตภูมิธรรมพวกเราเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะปล่อยวางร่างกายได้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพวกเราเห็นได้แต่เรื่องจิตปล่อยวางอารมณ์รู้สึกไหมจิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปจับแล้วก็ปล่อยนะต่อไปมันอัศจรรย์กว่านั้นมันปล่อยวางร่างกายได้ไม่ใช่ปล่อยแต่อารมณ์นะปล่อยร่างกายนี้ได้เลยเงินร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอีกต่อไปแล้ว แล้วปัญญาขั้นสุดท้ายนะที่ทำลายล้างอาวิชาลงไปได้คือการรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกเวลาที่เราพอนานะจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาที่หลวงพ่อสอนให้พวกเราพัฒนาจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเราได้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเราจะรู้สึกว่าจิตัวนี้วิเศษ สว่างสวผ่องใสนาะดีงามสบายมีความสุขมากมายแต่วันใดที่ปัญญาแก่กล้าพอนะจะเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นั้นแหละคือตัวทุกข์ถ้าพอเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้พอวางจิตได้ตัวเดียวนี่โลกธาตุทั้งโลกนี่ถล่มลงต่อหน้าเราเลยนะคล้ายๆว่ามันรวบมาเรายึดถือโลกทั้งโลกนี่นะด้วยด้วยจิตดวงเดียวนี้เองปล่อยจิตดวงเดียวนี่ปล่อยโลกทั้งโลกเลยนะ จะสลายตัวลงไปหมดนะหลุดออกไปจากใจต่อไปนี้ไม่มีภาระทางใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญญาขั้นสูงสุดคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์นะแล้วตัวรูปเนี่ยง่ายดูง่ายว่าเป็นทุกข์นะเป็นท่านอาขานี่เห็นแล้วแต่ตรงที่ว่านามนามยังมีนามจิตกับนามเจตสิกนะนามเจตสิกนะเขียงพวกความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความลงอันนี้ดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์ แต่น้ำจิตจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยดูยากที่สุดเลยว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนว่าจิตก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่สงวนเอาจิตเป็นตัวสุขอยู่นะพอได้ยินอย่างนี้นะวันหนึ่งจิตมันเฉลียวใจขึ้นมาเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจมแจ้งแล้วเพราะในขันห้าทั้งหมดเนี่ยตัวที่เห็นยากที่สุดนะคือจิตงั้นถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์เมื่อไหร่นะก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยปล่อยขันห้าทั้งหมดเลยเชื้อเกิดเชื้อถูกทํำลายไปตรงนั้น นี่เอาวิชานะคือความไม่รู้อริยสัจนะเป็นความหลงหลงที่รุนแรงที่สุดคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์นะงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมุทยัยคือตัณหาจะไม่เกิดอีกถูกลอัตโนมัตินิพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานะอะริยามรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเกิดเองหน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์ให้มากนะ นี่จะดูรู้ทุกข์จะดูอะไรก็ได้นะในรูปในนามดูกิเลสก็ เ, เป็ น, นการรู้ทุกข์นะค่อยๆหัดดูกิเลสไปพอดูกิเลสไปไม่เห็นจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหัดรู้หัดดูไปด้วยต่อไปเราก็รู้จักกิเลสที่ประณีตขึ้นเรื่อยๆที่แรกรู้จักกิเลสหยาบๆต่อมากิเลสละเอียดอย่างขัดใจเล็กๆก็เห็นอนะ่ะต่อไปถึงโมหะขั้ละเอียดคืออวิชาเขาจะเห็น ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะอยู่ที่เราอดทนที่จะเรียนรู้ถ้าอดทนเราค่อยๆเรียนรู้ไปวัละเล็กวัละน้อยไม่ทอดทิ้งถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมากรใจเราเองพวกเราต้องเรียนนะก่อนที่พระพุทธศาสนาจะหายไปหลวงพ่อไม่มีความมั่นใจหรอกว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานสักเท่าไรมันเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ในแต่ไรแล้ว เป็นศาสนาของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยตัวเองออกจากกองทุกข์ไม่ใช่ศาสนาที่ร้องขอในโลกนี้คนเลิกนับถือศาสนาไปเยอะแล้วนะเพราะเขาไม่เคยสัมผัสพระพุทธศาสนาเขารู้สึกศาสนาที่เขาเคยเห็นเป็นศาสนาที่ต้องเชื่อศา ส, สนาพุทธไม่ต้องเชื่อเ้าให้ลองพิสูจน์ดูทดสอบดนะูเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างพวกเรานะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีศาสนา เขานับถือเหตุผลศา ส, สนาพุทธนี่แหละคือเรื่องของเหตุผลนั้นไอสไตนะ์น้ะบอกเลยว่าศาสนาพุทธเนี้ยเข้าได้นะกับโลกทางวิทยาศาสตร์ศาสนาอื่นเข้าไม่ได้หรอกแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้คนส่วนน้อยหรอกที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ศา ส, สนาพุทธจะหมดเมื่อไหร่ไม่แน่นะพิกษุณีไม่มีตั้งนานแล้วภิกษุอย่างในเมืองไทยเหลืออยู่สักสองแสนะแล้วก็ที่บวชนานๆมีไม่มากอะ มีบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชเลยอย่างเนี้ห้าวันสิบวันเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเยอะแยะนะแต่ว่าอยู่ไม่นานยังไม่ทันจะห่มผ้าเหลืองเป็นเลยก็ศึกแล้วไปบินทบาตินะจีวรหลุดบ้างสะบองหลุดบ้างจีวรหลุดยังไม่เท่าไหร่นะสะบงหลุดนี่ปวดหัวเลยนะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนก็มัดกลัวสะบงหลุดนะไปบินธบาตนะมัดรัดประคนแล้วก็คเป็นเข็ม<โ>ขัดของพระเป็นเชือกอมัดแน่นนะ เดินเดินไปหายใจไม่ออกกลิ้งอยู่กลางถนนอยู่ลำบากนะแล้วพระที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนได้ปฏิบัติอะไรมีไม่มากอะนะอย่างหลวงพ่อถามมาหลายที่แล้วว่าพวกเราอะในพระสองแสนรูปเนี่ยเราคิดว่าเป็นพระจริงๆเป็นพระดีมีศีลมีธรรมเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ถามว่าห้าสิบเอร์เซ็นตได้ไหมสามสิบหลวงพ่อก็ชักตกใจสิบ โหยให้น้อยจังห้าเปอร์เซ็นต์ดูสิวิกฤตศรัทธาหรือเปล่าล่ะพระร้อยองค์นะเชื่อว่าเป็นพระห้าองค์เนี้ยมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะพระดีๆท่านก็มีนะแต่ท่านไม่มีปากมีเสียงท่านก็อยู่ท่านเงียบๆภพอนานี่เวลาโจมตีตีรวมๆเอาไปตีพระดีๆเข้าไปด้วยพระชั่วๆช่วยตีเข้าไปเถอะแต่ต้องแยกให้เป็นนะ บางองค์รียาท่าทางท่านดูไม่งามแต่ถ้าเป็นพระจริงๆก็มีเราจะไปดูว่าพระติ่มๆเนี่ยเป็นพระดีไม่แน่หรอกนะอาจจะไม่ดีก็ได้นะพระกระโชกห้าอาจจะดีก็ได้นะฝึกนะเราไม่รู้ว่าศาสนาจะอยู่สักแค่ไหนนะประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีหรอกนะมีที่พมา่นะพมาพม่าเรียนอภิธรรมกันเยอะพระก็เยอะ แต่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศกำลังเจริญรอยประเทศไทยแล้วล่ะต่อไปก็โคบายานะแบบเดียวกันแหละ